ตอนที่192่พี่น้องร่วมมือไม่ลำบากหรอกแค่จะเรียกว่าลำบากได้ยังไงพอดีพี่ชายกับพวกเขาสองคนกําลังจะไปกินข้าวพอดีพวกเราสองคนก็ถือว่าไปขออาศัยกินด้วยสักมื้อแล้วกันหยวนเย็ยนเย็ยนเอ่อ ย, อย่างร่าเริงถ้าคุณไม่ชอบเราเปลี่ยนที่อื่นก็ได้ยังไงเลิกงานแล้วคุณก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วไปกินข้าวเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะ น, นะคะแววตาของเวินเม่อไหววูบเล็กน้อยคล้ายกับนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาดูลังเลที่ชายคุณจะไม่พอใจหรือเปล่า ไม่หลอกค้าพี่ชายฉันจะไปไม่พอใจอะไรกินสองคนกับกินสี่คนมันต่างกันตรงไหนหยวนเย็ยนเย็ยนโบกมืออย่างไม่ใส่ใจก่อนจะยื่นมือไปควงแขนเวินโม่ทันทีเอาเละอย่ามัวเสียเวลาอยู่ตรงนี้เลยรีบขึ้นรถเถอะคะ่ะในบรรดาทั้งสี่คนหยวนเย็ยนเย็ยนดูจ่ะประตือรือร้นที่สุดพอขึ้นรถมาป่าของเธอก็ขยับเจ้แจ้จไม่หยุดเวินโม่ตอบรับเป็นพักๆแต่สมาธิของเขากลับจดจ่ออยู่กับหลีหวานที่นั่งอยู่เบาหน้า ลิวานบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไรแค่รู้สึกว่ามันดูแปลกๆหยุนเยียนเยียนชอบเหวินโม่ส่วนเหวนโมก็เคยแสดงออกว่ามีใจให้เธอแต่คนที่เธอชอบกลับเป็นบรรยากาศภายในรถไม่ได้ถึงกับอึดอัดแต่ถ้าหยวนเยียนเยียนไม่พูดขึ้นมามันคงจะกลายเป็นอึดอัดมากแน่ๆร้านที่เลือกคือร้านหม้อไฟหยนุนเยียนเยียนมองดูน้ำซุปมัล่าในร้านแล้วรู้สึกไม่ค่อยพอใจที่ทำไมไม่สั่งน้ำซุปใสละ่ะที่เหวินโม่กินเผ็ดไม่ได้นะรีพิคเขาเปลี่ยนเรยวเข้าฉัน ทำไม ห, หยวนเซ้าเหิงต้องเลือกสิ่งที่เหยวนโมชอบด้วยถึงเขาจะไม่ค่อยชอบกินเผ็ดเหมือนกันแต่ขอแค่เสียหวานชอบก็พอแล้วเหยวนโม่จะกินข้าวลงหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับเขาเลยสักนิดไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับผมว่านานๆที่เปลี่ยนรสชาติบ้างก็ดีเหมือนกันหยวนโม่เอ่ยปฏิเสธตามใจคุณค่ะมุมปากของหยวนเย็ยนเย็ยนยกยิ้มเขินอายบางๆที่หยวนโมปกติคุณเลิกงานเวลานี้ตลอดเลยหรือคะวันหลังฉันไปรับคุณดีไหม ไม่ต้องรอกครับคุณไม่มีธุระของตัวเองต้องทําหรือไงหเวนโม่ปฏิเสธอีกครั้งหยุนเหย็นเย็ย น, เยยนฟังไม่ออกถึงความหังเหินในคําพูดของหเวนโมเธอคิดว่าชายหนุ่มแค่เป็นห่งเธอเฉยๆฉยในใจจึงรู้สึกหวานล้ําอืมหลังจากชั้นเรียนจบแล้วฉันก็ว่างทุกวันเลยค่ะตอนผมอายุเท่าคุณผมยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เลยคนเราควรจะหาอะไรทํานะถึงจะบอกว่าทุกอาชีพล้วนมีจ้วงหยวนแต่การอยู่บ้านเฉยเฉยทั้งวันทั้งคืนมันจะไม่น่าเบื่อเกินไปหน่อยหรอ ไม่รอกข้าเมื่อก่อนอาจจะน่าเบื่อไปบ้างแต่ตอนนี้ฉันมีเรื่องต้องทําแล้วเรื่องของฉันก็คือการมีคุณเป็นหลักหยวนเย็ยนเย็ยนมองเขาด้วยดวงตาเป็นประกายฉันไม่รบกวนเวลาทํางานปกติของคุณหรอกค่ะคําคพูดบางอย่างถ้าหลุดออกมาจากปากผู้ชายก็ดูเหมาะสมดีแต่พอหลุดมาจากปากผู้หญิงกลับดูไม่ค่อยดีนักเห็นได้ชัดว่าหยวนเย็ยนเยียนไม่ได้สังเกตเห็นสีหน้าไม่พอใจของหยวนเศร้าเหิงเลยเธอเอาแต่พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดที่หวนโม่คุณยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าเข้างานเลิกงานตอนไหน อีกสักพักฉันจะไปเรียนขับรถแล้วฉันจะมารับส่งคุณทุกวันไปไงคะไม่ต้องไม่ได้เหวินโมกับหยวนเศร้าเหิงโพิงออกมาพร้อมกันสีหน้าของหยวนเศร้าเหิงดูเคร่งครึญขึ้นมาทันทีเยน็นเย็นอย่าลืมที่พ่อพูดสิพ่อตั้งใจจะให้เธอเข้าบริษัทไปเริ่มทําจากระดับล่างนะเธอไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นพี่อย่าทำตัวเหมือนพ่อได้ไหมอายุแค่นี้จะให้ฉันเข้าบริษัทไปทําอะไรบ้านเราก็ไม่ได้จนถึงขั้นจะล้มละลายจนต้องให้ฉันไปทํางานสักหน่อยฉันเคยบอกพี่แล้วไม่ใช่เหรอ บริษัทบ้านเราน่ยพี่เป็นคนสืบทอดพี่แค่แบ่งเงินค่าขนมให้น้องสาวคนนี้หน่อยก็พอแล้วฉันไม่แย่งอะไรกับพี่หรอกและก็ขี้เกียจแย่งด้วยเย็นเย็นเย็นไฟฝันอยากจะใช้ชีวิตสบายๆไปวันๆเหวิ น, วนมอยกถ้วยชาขึ้นจิตเพื่อจิบน้ําให้ชุ่มคอเสี่ยวหวันวันนี้คุณรับตรวจคนที่กี่คนเจ็ดแปดคนได้มั้งคะหลี่หวานตอบคุณเพิ่งมาประจําที่นี่ยังไม่มีคนเท่ก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวพอค่อยๆหาไปคนเท่ของคุณก็จะเยอะขึ้นเองคะ่ะ จริงๆแล้วจะมีคนไข้หรือเปล่าก็ไม่สําคัญการไม่มีคนไข้กลับเป็นเรื่องดีเสียอีกแสดงว่าทุกคนแข็งแรงดีเหวนโม่เอ่ยเสียงเบาพวกเราที่เป็นหมอก็จะได้ไม่เหนื่อยเกินไปหลีหวานเห็นด้วยนั่นก็จริงค่ะยวนเย็นเย็นมองดูเวนโม่กับหลีหวานที่คุยกันอย่างถูกคอในใจก็รู้สึกอิจฉาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกทําไมเวนโม่ถึงไม่มีอะไรจะคุยกับเธอบ้างนะพี่เวนโม่ เย็นเย็นเนื้อแกะสล้ายร้านนี้สดมากนะผู้หญิงควรทานเนื้อวัวเนื้อแกะเยอะๆจะได้บำรุงเลือดและลมปราณเหวนโม่เอ๋อเรียบเรียบนี่คือการเป็นห่วงเธอใช่ไหมเย็นเย็นเย็นกลับมาร่าเริงทันทีขะาในเมื่อคุณบอกว่าอร่อยเดียวฉันต้องทานเยอะๆแน่นอนมื้ออาหารที่เย็นเศร้าเหิงกับหลี่หวานควรจะได้อยู่กันตามลําพังแต่มีคนเพิ่มหม่อีกสองคนตลอดทั้งมือ้อทั้งคู่แทบไม่ได้คุยกันเลยเย็นเศร้าเหิงต่อให้จะไม่ชอบพี่หน้าเหว่นโม่แค่ไหนแต่ต่อหน้าต่อตาน้องสาวเขาก็พูดอะไรไม่ออก พอกินเสร็จยังต้องจำใจขับรถไปส่งเหวนโม่ที่บ้านแล้วค่อยไปส่งเสี่ยหวานจูบลาที่เคยมีทุกครั้งครั้งนี้ก็ไม่มีหยวนเศร้าเหิงหน้าบึ้งตึงถึงขีดสุดน้องสาวของเขาเป็นก้างขวางคอที่น่ารําคาญจริงๆที่อย่าเอาแต่ทําหน้าบึ้งได้ไหมหรือว่าพี่จะทําหน้าดีๆแค่ตอนอยู่ต่อหน้าหลี่หวานเท่านั้นรู้ก็ดีแล้วหยวนเศร้าเหิงเอ่ยอย่างขุนเคืองว่าหลังฉันออกมาทานข้าวเธอห้ามตามมาเธอก็รู้อยู่ว่าเหวนโม่คิดยังไงกับเสี่ยหวาน เขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาแต่พอมีฉันแล้วเขาก็จะไม่คิดถึงคนอื่นอีกเขาจะคิดถึงได้แค่ฉันคนเดียวหยวนเย็นเย็นยือดอกขึ้นเอ่ยอย่างจริงจังฉันชอบเวินโม่และฉันก็กําลังพยายามจีบเขาอยู่พี่จีบคนเรียนหมอได้แล้วจะมาขวางไม่ให้ฉันจีบคนเรียนหมอบ้างได้ยังไงอีกอย่างพ่อกับแม่ก็บอกแล้วว่าให้ฉันหาแฟนเองขอแค่ไม่ใช่คนนิสยัยแย่เกินไปท่านก็ตกลงไม่ต้องสนเรื่องฐานะอะไรทั้งนั้นพ่อแม่ยังไม่ว่าอะไรพี่ที่เป็นพี่ชายยิ่งไม่มีสิทธิ์ขวางหยวนเศร้าเหิงรู้สึกกกผพะอออมอย่่างบไถู ถ้าไอหมอนี่ดีกับน้องสาวเขาก็แล้วไปเถอะแต่ถ้ามันทําไม่ดีกับน้องสาวเขาเมื่อไหร่เขาจะถลกหนังหัวมันออกมาให้ดูเหยีนเหยีนเรื่องความรักมันซับซ้อนนะพี่ดูบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเธอเลยสักนิดแล้วเธอจะดันทุรังไปทําไมหยวนเศร้าเหงไม่เข้าใจเลยจริงๆหืมความรักมันต้องใจตรงกันทั้งสองฝ่ายนะเธอรักเขาข้างเดียวแบบนี้คนที่จะลําบากในอนาคตก็คือตัวเธอเองพ่อแม่ไม่ขวางเธอก็แน่ละสิแต่ถ้าพวกท่านรู้ว่าเธอไปหาคนแบบไหนมาลองดูเถอะว่าท่านจะขวางไหม ขอแค่พี่ไม่พูดที่สะพ้ยไม่พูดพวกท่านก็ไม่มีวันรู้หรอกคะ่ะหยวนเย็นเย็นเถียงกลับฉันชอบเขาไปแล้วฉันว่าเขามีสเสน่ห์มากต่อไปเขาอาจจะคุมฉันอยู่ก็ได้หยวนเศร้าเหงิงเอาเถอะในที่สุดเขาก็รู้ซึ้งถึงคําว่าสีซอให้คอยฟังแล้วตอนนี้เธอกําลังหน้ามือตะมวัวพูดอะไรไปก็ไม่เข้าหูหรอกพี่คะแถมถ้าฉันจัดการคู่แข่งหัวใจของพี่ได้พี่จะได้ไม่ต้องกังวลอีกไงคะหยวนเย็นเย็นยิ้มออกมา ที่ฉันหน้าด้านตามจีบเขาแบบนี้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองนะแต่เพื่อพี่ด้วยงั้นฉันไม่ต้องกล่าวขอบคุณเธอเลยเหรอคำขอบคุณไม่ต้องหรอกข้าขอแค่พี่ช่วยฉันจีบเขาให้ติดก็พอเป็นไปไม่ได้